มองไม่เห็นรูปรถเก๋งคันเดิมในชิ้นส่วนใดๆอีกใจฉัน ว, ว่างไปชั่วขณนะเมื่อจินตนาการเห็นความว่างเปล่าไร้แก่นแท้ของรถยนต์ถึงกับอึองเงียบเป็นครู่ก่อนถามต่อคือสงสัยว่าเมื่อฉันรู้สึกว่ากายใจเป็นของว่างเปล่าเหมือนรถยนต์ที่ปราศจากตัวตนอย่างนี้แล้วถือว่าพอหรือยัง